ตามรู้รูปนามทีละอย่างอันหนึง่งนักปฏิบัติไม่อาจตามรู้รูปธรรมและนามธรรมาพร้อมกันได้เพราะทั้งสองอย่างมีลักษณะต่างกันกล่าวคือรูปมีลักษณะไม่รับรู้อารมณ์ส่วนานามมีลักษณะรับรู้อารมณ์และจิตก็รับเอาอารมณ์อย่างเดียวในแต่ละขณะไม่อาจรับรู้เรื่องสองเรื่องในขณะเดียวกันได้ ดังมีสาทกว่าพระอัฏกถาจารย์กล่าวว่าควรอย่างเห็นรูปในบางคราวควรอย่างเห็นนามในบางคราวเพราะไม่อาจอย่างเห็นพร้อมกันเนื่องจากรูปธรรมตรงกันข้ามกับนามธรรมโดยแท้และไม่ประสงการอย่างเห็นในเรื่องที่ต่างกันสรุปความว่าสมถยานิกพึงกําหนดรู้อารมณ์ที่ปรากฏชัด เมื่อออกจากฌานแล้วอันได้แก่นามธรรมคือชานจิตตุบาทในปัจจุบันขณะนั้นหัตยรูปอันเป็นที่ตั้งของจิตหรือรูปอย่างใดอย่างหนึ่งของที่เกิดจากจิตส่วนวิปัสสนาญาณิกพึงกาหนดรู้รูปนามในปัจจุบันขณะนั้นเพียงต่างกันที่สมรัยญาณิกเป็นผู้บรรลุฌานแล้ว จึงกำหนดรู้ฌานเป็นต้นได้แต่วิปัสสนาญาณิกไม่ได้บรรลุฌานจึงกำหนดรู้รูปนามในขณะเห็นเป็นต้นในขณะเห็นเป็นต้นนั้นวิปัสสนาญาณิกพึงเจริญสติรู้เท่าทันสภาวะการเห็นซึ่งเป็นจิตและเจตสิกรูปอันเป็นที่ตั้งของนามธรรมเหล่านั้นและสีที่พบเห็นแม้ในขณะได้ยิน รู้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสก็มีในเดียวกันนี้ส่วนในขณะนึกคิดพึงรู้เท่าทันสภาวะคิดที่เป็นจิตและเจตสิกรูปอันเป็นที่ตั้งของนามธรรมาเหล่านั้นและรูปเกิดจากจิตที่คิดฟุ้งร้านโดยรับรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏชัดในขณะนั้นๆตามสมควรดังข้อความในคำพีดีกาว่าคาว่า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 ย่อมกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกส่วนผู้ที่เจริญวิปัสนาโดยมีนามธรรมเป็นหลักย่อมกำหนดรู้องค์ฌานความจริงแล้วนักปฏิบัติไม่อาจรับรู้รูปนามสองหรือสามอย่างในขณะเดียวกันได้เพราะรูปนามแต่และอย่างมีสภาวะลักษณะต่างกันเช่นปฐวีธาตุมีสภาวะแข็งอ่อน อโปธาตมีสภาวะไหลเกาะกุมผัสสะมีสภาวะกระทบอารมณ์เวทนามีสภาวะเสวยอารมณ์และจิตในแต่ละขณะก็รับรู้อารมณ์อย่างเดียวแต่เมื่อรับรู้รูปหรือนามอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏชัดก็จัดว่าได้รับรู้รูปนามทั้งหมดโดยปริยายเพราะนับเข้าในสามั ญ, ญลักษณะ ที่เป็นพระไตร ล, ลักษ์เหมือนกันเรื่องการบรรลุอรหัตผลโดยไม่ได้รับรู้รูปนามทั้งหมดผู้ที่บรรลุมรผลไม่จำเป็นจะต้องอยังเห็นรูปนามในลักษณะเดียวกันและไม่จำเป็นจะต้องรู้เห็นรูปนามทั้งหมดตามที่พระไตรปิฎกและอัตถกถาพันนาไวา้เพราะแต่ละคนมีบารมีและการสั่งสมต่างกัน จึงยังเห็นด้วยยานที่เหมาะสมแก่ตนเช่นผู้มีปัญญาแก่กล้าที่เรียกว่าติขบุคคลแม้จะเป็นพระมหาสาวกก็ไม่อาจอยังเห็นรูปนามโดยพิสดารตามที่ปรากฏในพระอภิธรรมปิฎกส่วนผู้ที่มีปัญญาไม่แก่กล้าที่เรียกว่ามันทะบุคคลย่อมบรรลุมรรคผลด้วยการยังเห็นรูปนามบางส่วนเท่านั้น ดังข้อความในคำพีอัตกถาว่าโดยแท้จริงแล้วสาวกทั้งหลายอย่างเห็นธาตุสีเพียงบางส่วนแล้วย่อมบรรลุพระนิพพานนอกจากนี้ในสลายตนะสนัสงยุทธกล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่งถามว่าบุคคลอย่างเห็นอย่างไรปัญญาจึงหมดจดบรรลุพระอรหรันต และกล่าวถึงคำตอบของพระอาหารหันต์สีรูปที่กล่าวถึงการปฏิบัติตนไว้ต่างกันตามลำดับว่าท่านผู้มีอายุเมื่อใดภิกษุอย่างรู้ความเกิดขึ้นและดับไปของอายตนะภายในอันเป็นเหตุเกิดแห่งภัสสะหกเมื่อนั้นภิกษุย่อมรู้เห็นได้หมดจดด้วยดีการอย่างรู้เพียงเท่านี้ ภิกษุย่อมรู้เห็นได้หมดจดดีด้วยการอย่างรู้เพียงเท่านี้ท่านผู้มีอายุเมื่อใดภิกษุยังรู้ความเกิดขึ้นและดับไปของอุปทานะขันห้าเมื่อนั้นภิกษุย่อมรู้เห็นได้หมดจดดีด้วยการอย่างรู้เพียงเท่านี้ท่านผู้มีอายุเมือ่อใดภิกษุยังรู้ว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งมีสภาพเกิดขึ้นทำทั้งหมดนั้น มีสภาพดับไปเมื่อนั้นภิกษุย่อมรู้เห็นได้หมดจดด้วยการอย่างรู้เพียงเท่านี้คำตอบของพระอาราหันต์รูปแรกคือการกำหนดรู้อายตนะภายในหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมิได้กำหนดรู้อายตนะภายนอกหกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารม แม้ในอายตนะภายในก็กำหนดรู้รูป5อย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายมิได้กำหนดรู้รูปอย่างอื่นและกำหนดรู้นามธรรมคือจิตเท่านั้นไม่กำหนดรู้เจตสิกการกำหนดรู้อายตนะภายในนี้จัดเป็นการกำหนดอายตนะภายนอกโดยปริยายผู้กำหนดรู้ได้อย่างนี้ จึงเป็นผู้เจริญสติรู้เท่าทันรูปนามทั้งหมดความจริงแล้วในพระบาลีกล่าวถึงการกำหนดโดยย่อและโดยพิสดารตามอธยาศัยของบุคคลผู้ฟังธรรมในแต่ละโอกาสมิได้หมายถึงว่าต้องกำหนดรู้รูปนามทั้งหมดจึงจะบรรลุธรรมได้อันหนึ่งพระอรหันต์รูปที่สองกล่าวถึงการกำหนดรู้อุปท า, านอาคารห้า รูปที่สากล่าวถึงการกําหนดรู้มหาภูต ร, รูปสี่ส่วนรูปที่สี่กล่าวถึงรูปนามทั้งหมดคําตอบพระอรหัน ร, รูปที่สี่นี้ครอบคลุมรูปนามทั้งหมดตามที่ท่านปฏิบัติความจริงพิสูุผู้ถามปัญหาข้างต้นดําริว่าต้องกําหนดรู้รูปนามทั้งหมดจึงจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันได้ใช่หรือไม่ แต่เมื่อได้ฟังคำตอบของพระอรหันต์ทั้งสีรูปซึ่งแตกต่างกันและบางรูปก็ไม่ได้กำหนดรู้รูปนามทั้งหมดท่านจึงสงสยัยแล้วไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าท่านเหล่านั้นตอบตามที่ตนเองปฏิบัติดังข้อความว่าความรู้เห็นของสัตว์ปรุษเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้น้อมไปโดยประการใด ยอมหมดจดดีสัตวบุรุษเหล่านั้นกล่าวตอบไว้โดยประการนั้นๆการยังเห็นของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะต่อไปจะกล่าวการยังเห็นของพระสารีบุตรซึ่งปรากฏในอนุปทสูตรว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสารีบุตรเห็นแจ้งธรรมตามลำดับได้เพียงกึ่งเดือนมีลำดับในการเห็นแจ้งธรรมตามลำดับนั้นดังนี้ ดูกรรพิสุ์ทั้งหลายในเรื่องนี้สารีบุตรสงัดจากการรมสงัดจากอากุศลธรรมเข้าปฐมฌานมีวิตตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดจากวิเวกอยู่ทำในปฐมฌาน16ประการคือวิตกวิจารปิติสุขจิตเตกัคตาความมีอารมณ์เดียวของจิตเอกัคคตา ภาษเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณฉันทะอธิโมกวิริยสติอุเบกขามนสิการเป็นอันเธอกําหนดได้ตามลําดับเป็นอันเธอรู้แจ้งแล้วทั้งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าทํามเหล่านี้มีสภาวะจริงแท้อย่างนี้ไม่มีมาก่อนแล้วย่อมเกิดขึ้น เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปพระพุทธองค์ตรัสถึงปฏิปทาของพระสารีบุตรว่าท่านเข้าปฐมฌานก่อนแล้วกำหนดรู้ธรรม16อย่างมีวิตกเป็นต้นซึ่งปรากฏในชานจิตตุบาท ท่ามเหล่านั้นปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปซึ่งเป็นเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดท่านจึงรู้ชัดว่าท่ามเหล่านี้ไม่มีมาก่อนจะเข้าปฐมฌานแต่เกิดขึ้นในขณะเข้าฌานนี้ทั้งเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปท่านเข้ารูปฌานและอรูปฌานแล้วกำหนดรู้ธรรมในฌานตามในนี้ จนถึงอกินจัญญายตนะท่านรับรู้ฌานบางอย่างที่อันตรธานไปและศรัท ธ, ธาเป็นต้นเพิ่มพูนมากขึ้นในฌานชั้นสูงขึ้นตามลำดับเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ครบ15้าวันก็บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอรหันต์การปฏิบัติตามในนี้ชื่อว่าอนุปัฏฐะสัมมวิปัสนาอนุปัฏฐธรรมวิปัสนาคือ การอย่างเห็นธรรมตามลำดับสมบัติและองค์ฌานหมายความว่าการเข้าฌานตามลำดับสมบัติแล้วออกจากฌานหนึ่งฌานหนึ่งแล้วจึงกำหนดรู้องค์ฌานพร้อมด้วยภาษะเป็นต้นที่เกิดร่วมกับองค์ฌานดังคำพีอัตถกถากล่าวว่าคำว่าอนุธรรมะวิปัสนางการอย่างเห็นธรรมตามลำดับ มีความหมายว่าย่อมอย่างเห็นธรรมตามลำดับสมบัติและองค์ฌานในเรื่องนี้พระสารีบุตรไม่ได้เข้าฌานอย่างหนึ่งแล้วกําหนดรู้ธรรมสอย่างนั้นตามลำดับแต่ท่านเข้าฌานหนึ่งฌานหนึ่งแล้วออกจากฌานแล้วจึงกาหนดรู้ธรรมดังกล่าวทีละครั้งทีละรอบ16ครั้ง หลังจากออกจากฌานหนึ่งฌานหนึ่งกล่าวคือท่านเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วกำหนดรู้วิตกต่อมาเข้าปฐมฌานเป็นครั้งที่สองแล้วออกจากปฐมฌานกำหนดรู้วิจาร์ดังนี้เป็นต้นข้อนี้ทราบได้จากคำภีปฏิสัมพิทามักซึ่งกล่าวถึงการกำหนดรู้สภาวะอารมณ์อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งที่ดับไป แล้วจึงกำหนดรู้จิตที่รับรู้อารมณ์ข้างต้นและในคำพีวิสุทธิมาร์กก็กล่กาวถึงการกำหนดรู้จิตทีละคราวว่าพึงกำหนดรู้จิตดวงแรกด้วยจิตดวงที่สองกำหนดรู้จิตดวงที่สองด้วยจิตดวงที่สามดังนี้เป็นต้นที่จริงแล้วพระสารีบุตรมีปัญญามากกว่าสาวกอื่น จึงเจริญวิปัสนาด้วยการกําหนดรู้โดยพิสดารตามที่กล่าวมานี้ทําให้ใช้เวลาในการปฏิบัตินานกว่าพระโมคคัลลานะซึ่งบรร ล, ลุธรรมภายในเจ็ดวันการเจริญวิปัสนาของพระโมคคัลลานะเป็นการกําหนดรู้อย่างไม่พิสดารส่งผลให้บรร ล, ลุธรรมเร็วดังข้อความในคัมภีอธิกถาว่า ความพิสดารว่าพระมหาโมคลานะเถระ ก, กำหนดรู้อารมณ์แห่งการกำหนดของสาวกเพียงบางส่วนเหมือนใช้ปลายไม้เท้าค้ำไว้ภาคเพียรอยู่ตลอดเจ็ดวันจึงบรรลุอรหัตผลแต่พระสารีบุตรกำหนดรู้อารมณ์แห่งการกำหนดของสาวกโดยสิ้นเชิงยกเว้นอารมณ์แห่งการกำหนดของพระพุทธเจ้าและพระประเจกับพุทธเจ้า เมื่อท่านพระสารีบุตรกำหนดรู้อย่างนี้ภาคเพียรตลอดกึ่งเดือนแล้วจึงบรรลุอรหัตผลครั้นแล้วได้ดาริว่าธรรมดาแล้วสาวกอื่นยกเว้นพระพุทธเจ้าและพระปัเจกับพุทธเจ้าผู้ที่สามารถบรรลุธรรมอันเราพึงบรรลุด้วยปัญญาจากไม่มีคำว่าสัมมาสนาจาร์หมายถึง ทำภายในที่เรียกว่าอัจฉริธรรมซึ่งสาวกรับรู้โดยประจักษ์และทาภายนอกที่เรียกว่ามหิทธธรรมที่สาวกรับรู้โดยอนุมานคำว่ายติโกติยาอุปีเลนัตโตวิยะเหมือนใช้ปลายไม้เท้าค้ำไวไ้หมายความว่าตามปกติเมื่อใช้ไม้เท้าค้ำแล้วเดินไป สถานที่ซึ่งไม้เท้ากระทบเป็นเพียงที่แคบเล็กแต่สถานที่อื่นจากนั้นย่อมกว้างกว่าฉันนั้นอารมณ์วิปัสนาที่พระโมคคัลลานะกำหนดรู้ก็ไม่มากนักฉันนั้นเมื่ออารมณ์วิปัสนาของพระมหาสาวกสองรูปเป็นอย่างนี้อารมณ์วิปัสนาของพระมหาสาวกรูปอื่นก็จะน้อยลง และอารมณ์วิปัสนาของพระอรหันต์โดยทั่วไปพระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันและปุตุชนก็จะน้อยลงไปตามลำดับเรื่องนี้อนุมานรู้ได้จากข้อความนี้แม้ในอัตกถาของมัชฌิมปปา น, นาตกันนากัตถะสูตรก็กล่าวว่า ความเพียรของปุตุชนเป็นต้นไม่เทียบเท่าความเพียรของพระโสดาบันเป็นต้นตามลำดับชั้นสูงสูงขึ้นไปการกำหนดรู้องค์ชานและผัสสะเป็นต้นที่เกิดพร้อมกับองค์ชานของพระสารีบุตรนั้นการรับรู้สภาวะลักษณะคือลักษณะพิเศษของวิตกเป็นต้นตามความเป็นจริงกล่าวคือเมื่อท่านกาหนดรู้วิตก ก็รู้ชัดว่าวิตกมีลักษณะยกจิตเข้าไปสู่อารมณ์เมื่อกำหนดรู้วิจารณ์ก็รู้ชัดสภาวะลักษณะวิจารณ์กล่าวคือวิจารณ์มีลักษณะเคล้าคลึงอารมณ์ปิติมีลักษณะชื่นชมยินดีในอารมณ์สุขมีลักษณะเสวยอารมณ์ที่น่ายินดีเอกัคคตามีลักษณะไม่ซัดสาย ผัสสะมีลักษณะกระทบอารมณ์เทวนามีลักษณะเสวยอารมณ์สัญญามีลักษณะหมายรู้อารมณ์เจตนามีลักษณะตั้งใจจิตมีลักษณะรู้อารมณ์ฉันทะมีลักษณะต้องการจะทำอธิโมกมีลักษณะตัดสินวิริยะมีลักษณะภาคเพียน คือพยายามในอารมณ์สติมีลักษณะระลึกได้คือการไม่หลงลืมอารมณ์ที่เกี่ยวกับกุศลธรรมมณสิการมีลักษณะใส่ใจคือการนำจิตไปสู่อารมณ์อันหนึ่งการอย่างเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของธรรมเหล่านั้นหมายถึงการเกิดอุทภพยักยาน หรือยานอย่างรู้ความเกิดขึ้นและดับไปและพังขยานคือยานอย่างรู้ความดับไปโดยรับรู้ธรรมเหล่านั้นที่เป็นขณะปัจจุบันมิได้หมายความว่าชาติจิตสามารถรู้เห็นสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในขณะเข้าฌานดังสาธกในคาพีอัตถกถาว่า บุคคลไม่อาจสัมผัสโดยใช้ปลายนิ้วสัมผัสปลายนิ้วเดียวกันได้ฉันใดการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของจิตนั้นย่อมไม่อาจรับรู้ด้วยจิตดวงเดียวกันฉันนั้นด้วยเหตุนี้การรับรู้ชนะจิตด้วยชนะจิตนั้นจึงไม่มีอย่างนี้ ในบรรดาธรรม16อย่างที่ปรากฏในพระบาลีนี้สุขและเวทนามีองค์ธรรมอย่างเดียวกันคือเป็นเวทนาเจตสิกซึ่งมีเจตสิกทั้งหมด15้าดวงอย่างไรก็ตามตามหลักพระอภิธรรมเจตสิกที่ประกอบในปฐมฌานมี35ดวงถ้าเว้นการุณาและมุทิตาที่เกิดขึ้นในบางคราวก็มีเจตสิกิาดวง เมื่อรวมเจตสิกส3ิดวงกับชาณาจิตก็เป็นธรรม34ประการแต่ในพระบาลีและอัตถกถากล่าวถึงการกำหนดรู้ธรรม15ประการเท่านั้นไม่ได้กล่าวถึงธรรมที่เหลืออีก19ประการในเรื่องนี้พระดีกาอาจารย์แสดงมติไว้สองในว่ามติของอาจารย์กล่าวว่าธรรม6ประการเหล่านั้นปรากฏชัดเจน จึงควรกำหนดรู้ธรรมดังกล่าวเท่านั้นแต่มติของอาจารย์อีกท่านกล่าวว่าแม้ทำสิประการที่เหลือก็ปรากฏชัดเหมือนกันจึงควรกำหนดรู้ธรรมเหล่านั้นอีกด้วยมีผู้สำคัญว่าการเจริญสติรู้เท่าทันสภาวธรรมปัจจุบันไม่ใช่การปฏิบัติธรรมแต่ให้พิจารณาตรึกตรองธรรมตามที่ได้สดับมา ความจริงแล้วในพระบาลีกล่าวถึงการปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติตามรู้รูปนามปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกมิใช่การพิจารณาด้วยสัญญาที่จําได้หมายรู้เพราะผู้พิจารณาย่อมไม่อาจรับรู้สภาวะลักษณะคือลักษณะพิเศษของรูปนามที่ปรากฏอย่างแท้จริงเป็นเพียงรับรู้บัญญัติ ด, ด้วยอํานาจของสัญญาเท่านั้น จะเห็นได้ว่าเนวสัญญาณาสัญญายตนะฌานาเป็นอรูปฌานที่ละเอียดแม้กระทั่งภาษารีบุตรก็ไม่อาจกำหนดรู้ผัสสะเป็นต้นได้ในเมื่อนอกจากฌานนี้จึงกำหนดรู้ด้วยกาลาปสัมมะสณในคือในพิจารณาเป็นกลุ่มดังข้อความในอนุปัฏฐสูตรว่าดูการาภิกสทุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีกสารีบุตรล่วงอกินจัญญายตนะาฌานโดยสิ้นเชิงแล้วเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะาฌานอยู่เธอเป็นผู้มีสติออกจากสมาบัตินั้นครั้นแล้วพิจารณาเห็นธรรมที่ล่วงแล้วดับแล้วแปลปรวนไปแล้วว่าธรรมเหล่านี้มีสภาวะจริงอย่างนี้ ไม่มีมาก่อนแล้วย่อมเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปพระพุทธองค์ตรัสถึงการกำหนดรู้ธรรม16ประการมีภาษาเป็นต้นของพระสารีบุตรในปฐมฌานเป็นต้นแล้วตรัสความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของธรรมเหล่านั้นแต่ในอรูปฌานสีน่นี้กล่าวโดยทั่วไปว่าพิจารณาเห็นธรรมที่ล่วงแล้วดับแล้ว แปรปรวนไปแล้วโดยรู้เห็นทำดังกล่าวพร้อมกันมิได้รู้เห็นทีละอย่างเหมือนในฌานต้นๆเพราะภัษะเป็นต้นในอรูปฌานนี้ละเอียดอ่อนยิ่งเช่นเดียวกับจิตดวงสุดท้ายก่อนจะหลับสนิทดวงจิตดวงสุดท้ายในขณะสลบและจุติจิตในเวลาเสียชีวิตมีเพียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น สามารถกําหนดรู้ได้ดังข้อความในคัมภีอัตกถาว่าพระพุทธดํารัสว่าเตธรรมเมสมนุ ป, ปัสสติพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นมีความหมายว่าการอย่างเห็นธรรมตามลําดับสมบัติและองค์ฌานย่อมมีแก่พระพุทธเจ้าเท่านั้นในเนวสัญญานาสัญญาญาตนะดังนั้น เมื่อพระาศาสดาจะแสดงการอย่างเห็นเป็นกลุ่มในข้อนี้จึงตรัสไว้อย่างนี้ตามสาทกที่กล่าวมานี้พระพุทธองค์ก็ทรงเจริญวิปัสสนาตามลาดับสมาบัติและองค์ฌานเหมือนพระสารีบุตรแต่ทรงอย่างเห็นองค์ฌานทีละอย่างในเนวสัญญานาสัญญายตนาะโดยละเอียดดังนั้นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธาศาสนา จึงไม่ใช่การตรึกนึกคิดตามสัญญาที่จำได้หมายรู้แต่เป็นการอบรมจิตให้เกิดสมาธิเพื่อพัฒนาปัญญาอย่างแท้จริงขอให้นักปฏิบัติเข้าใจวิปัสสนาในดังกล่าวมานี้แล้วประพฤติตามคำสอนในสัลเลขสูตรว่าเธอทั้งหลายพึงขัดเกล่าตนในข้อนี้ว่า ชนเหล่าอื่นแม้จกเป็นคนยึดมั่นความเห็นของตนยึดถืออย่างมั่นคงและสละคืนได้โดยยากแต่พวกเราจะไม่เป็นผู้ยึดมั่นความเห็นของตนไม่ยึดมั่นอย่างมั่นคงและสละคืนได้โดยง่ายจบปริเชตที่สาม